3.19 การสำรวมวงเล็บเปิดหตุลาคม25น้าห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบดวงเล็บปิดสัรวมหมายถึงมีสติเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดปฏิกิริยา ย, ยินดียินร้ายขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนี่เรียกว่าสำรวมสำรวมไม่ใช่แกล้งขืมการแกล้งขืมนี่ทำไปด้วยทิฐิมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ครูบาอาจารย์บางทีท่านหัวเราะนะ หัวเราะหลอกเรานะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์ในวงเล็บวัดถ้ำผาพึ่งท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านจิตเปรียวสุดๆองค์หนึ่งเลยไม่รู้จักท่านหรอกจะไปหาท่านอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมพอไปถึงค่ําแล้วสองทุ่มแล้วมีพระดักอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาท่านหน่อยหลวงพ่อบอกว่าไม่ไปไม่รู้จักเกรงจะรบกวนท่านเพราะค่ํามากแล้ว จากนั้นก็ไปคุยกับท่านอาจารย์ทองอินจนดึกออกมาหนาวจัดพระยังเฝ้าอยู่อีกบอกไปหน่อยอ้อนวอนเสียอ้อนวอนไม่ได้ก็ไปกับท่านขึ้นไปก็โดนท่านอาจารย์บุญจันทร์ตะคอกเอาภาวนายอย่างไรแก้กันมาฐานให้เราไม่รู้จักท่านเลยนะเรียกตัวไปเสร็จแล้วพอเราเข้าใจจิตวางหลุดออกมาท่านหัวเราะนะเพราท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างพราท่านไม่หัวเราะท่านสํารวมเราก็ทําสํารวมบ้างเพราะท่านหัวเราะ เราก็ห้าห้ห้าตามท่านไปเลยนะท่านหัวเราะ ด, ดังเลยนะห้าห้ห้าพอเราหัวเราะปับ๊บหันมามองหน้าเลยเราก็หยุดปุ๊บใจเราก็เรียบไม่มีอะไรไม่ได้กระเพื่มเลยท่านบอกอย่างนี้ใช้ได้ไปได้แล้วแกล้งหัวเราะนะหัวเราะเพื่ออนุเคราะห์การสํารวมอินทรีย์จําเป็นมากต่อการบรรลุมากผล สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่การแกล้งสำรวมไม่ใช่ไม่มองไม่ฟังไม่ใช่ไม่ดมกลิ่นไม่ใช่ไม่รู้รสสำรวมอินทรีย์คือเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนี่ยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่แกล้งไม่กระทบสำรวมแล้วไม่ใช่ไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสทางกายสำรวมหรือไม่สำรวมอยู่ที่มีสติรู้ทันจิตของตนเองไหมเมื่อมีการกระทบอารมณ์ฉะนั้นไม่แกล้งนะปล่อยตัวเองออกมา ปลดปล่อยตัวเองที่แท้จริงออกมาแต่มีศีลห้าเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคนแต่ละคนน่าเกลียดสุดๆเลยต้องมีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้านะมันจะอุบาทมันจะไปรังแกคนอื่นแต่ละคนนะร้ายจริงๆไม่ได้แกล้งว่าถ้าเราออกแรงกดสักนิดหนึ่งพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตัวจริงมันจะไม่โผล่กิเลสจะไม่แสดงขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้น พอตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์ตัวจริงมันแสดงขึ้นมาเราจะได้รู้ทันนี่ราคะเกิดขึ้นนี่โทสะเกิดขึ้นทันทีที่อนุสัยทำงานขึ้นมานี่ถ้าเห็นทันกิเลสจะขาด